สุทธิกะกิเลสประหารสละราคะภิกษุกลาวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าสละราคะแล้วข้าพเจ้าคายราคะแล้วข้าพเจ้าพ้นราคะแล้วข้าพเจ้าละราคะแล้วข้าพเจ้าสลัดราคะแล้วข้าพเจ้าเพิกราคะแล้วข้าพเจ้าถอนราคะแล้วด้วยอาการสามอย่างคือต้องอบัตปาราชิกสละโทสะ ภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าสลัโทสะแล้วถอนโทสะขึ้นแล้วด้วยอาการสามอย่างคือต้องอบัตตปาราชิกสลัโมหะภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าสลัคลายพน้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นด้วยอาการสามอย่างคือต้องอบัติปาราชิกสุธิขจิตต์วิณีวรณะ จิตปลอดจากราคะโทสะและโมหะภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากราคะด้วยอาการสามอย่างคือต้องอบัติปาราชิกภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะด้วยอาการสามอย่างคือต้องอบัติปาราชิกภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะด้วยอาการสามอย่าง ด้วยการเจ็ดอย่างคือวงเล็บหนึ่งเบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเท็จวงเล็บสอง ก, กำลังกล่าวรู้ว่ากําลังกล่าวเท็จวงเล็บสครั้นกล่าวแล้วรู้ว่ากล่าวเท็จแล้ววงเล็บสอําพรางความเห็นวงเล็บห้าอําพรางความเห็นชอบวงเล็บหอําพรางความพอใจวงเล็บเจอําพรางความประสงค์ต้องอาบัติปาราชิกสุทิกะจบ